พาะระวะพระเทเรสเทระ้องขอเจริญพรท่านผู้มีการคิดวัตถุผลิภัณฑ์ชาติทั่วเชียงใหม่ตลอ่าาอญาติโยมสาธุชนทุกท่านโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงพิพิธภัณฑ์เราก็จะถึงเรื่องเกี่ยวกับอดีตนะสิ่งที่อยู่ในการลเวลาอันไกลโพ้ที่ไม่สามารถจะวนกลับมาได้อีก แต่ว่าในการ ป, ประกาศาที่ทางทิพิัธสัญญาแห่งชาติจัดในวันนี้ได้จอจงในเรื่องสถานการณ์สังคมไทยในปัจจุบันดูเหมือนจะเป็นนยัยยะเพื่อที่จะบอกให้เราตระหนักว่าอดีตกับปัจจุบันนั้นเป็นสิ่งที่แยกากันทำไม่ได้แล้วก็บทบาทของทิพิ์ภันฑสัาแหชาติก็ไม่ใช่เพียงแค่การอนุรักษ์ สิ่งของเก่าๆในอดีต ท, ที่เป็นวัตถุสิ่งของเท่านั้นแต่ต้องมีความมุ่งหมายหรือมีปฏิฐานที่จะให้สิ่งที่เกิดขึ้นหรือเกิจากอดีตนั้นเนี่ยเชื่อมโยงถึงปัจจุบันเพื่อที่ทำให้เราได้เข้าใจสังคมปัจจุบันมากขึ้น ส่วนเรื่องอาศัยการเรียนรู้จากอดีตและการศึกษาส ก, กัดเอาบทเรียนและคุณค่าทางนมามธรรมจากวัตถุสิ่งของที่เป็นอดีตไม่ว่าจะเป็นจานชามกระเบื้องหรือว่ า, าวัตถุที่บรรพชนได้สร้างเอาไว้อดีตกับปัจจุบันไม่สามารถจะแยกจากกันได้ เพราะฉะนั้นอาตมาอยากจะเริ่มต้นการพูดถึงสังคมปัจจุบันโดยการย้อนกลับไปอดีตสักหน่อยเพื่อที่จะให้เราได้เห็นภาพชัดว่าสังคมปัจจุบันเราได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างเพราะว่าถ้าเราพูดแต่สังคมปัจจุบันโดยที่ไม่เปรียบเทียบกับอดีตเราก็อาจจะเห็นสภาพปัจจุบันได้ไม่ชัดเจนขอให้ถือว่าอดีตก็เหมือน ก, กระจกอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะสะท้อนให้เราเห็น ่ที่เบื้องหลังของเราอาตมาอยากจะอ้างอิงถึงบันทึกของคนสมัยก่อนซึ่งในที่นี้อาตมาขอเอาอ้างบันทึกของฝรั่งเริ่มแต่สมัยลาลูแบร์ลาลูแบร์นี่เป็นฝรั่งมิชชันนารีจากฝรั่งเศสซึ่งมาในเมืองไทยสมัยพันนาลัย เราลุายแบได้บันทึกไว้เป็นหนังสือเล่มใหญ่แล้วเราก็ได้พูดถึงวิถีชีวิตและพฤติกรรมของคนไทยไว้ได้อย่างน่าสนใจแม้ว่าจะเป็นความเป็นของคนต่างประเทศซึ่งอาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างแต่ว่าสิ่งที่เขาบันทึกไว้หลายอย่างก็น่าจะเป็นพุทาหอนให้กับเราซึ่งเป็นคนไทยในปัจจุบันความตอนนึง ที่ลาลูแบร์ได้เขียนเอาไว้สมัยพันารายก็คือเมื่อประมาณ 2,199 หรือ 2,200 นะก็คือประมาณ300ปีที่แล้วเขีย okay, ว่าไม่มีชนใดสมรถะเสมอด้วยชาวสยามชาวบ้านดื่มกันแต่น้ำเปล่าและอยู่อย่างมีความสุขด้วยอาหารการกินอย่างง่ายๆกินข้าวปล่ากับปลาแห้งหรือปลาเค็มตัวเล็กๆอาจจะมีเครื่องจิ้มบ้างปลานั้นชุกชุมมากเหลือเกินจับ ชังวมงหนึ่งพอกินได้หลายวันนอกจากนั้นชาวสยามยังไม่นิยมบริโภคเนื้อสัตว์อื่นใดนอกจากปลาความไม่ชอบการฆ่าและการกักขังสัตว์ถึงแม้ว่าเขาจะเปนผู้รักการสิงดีเราลูเบยตั้งข้อสังเกตว่าคนไทยเนี่ยอยู่กันอย่างอย่างเรียบง่ายมากนะทั้งๆที่มีความมั่งคั่งลํำรวนมหาศาลเห็นได้จากวัดวาอารามที่มีจานวนแทบไม่ทัว จำวนแทบไม่ทวนนี้พูดถึงอายุทยานะบันคึกอย่างนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับคนรุ่นหลังๆนะอย่างเช่นปา ร, รีกัวปารีรรกวรักวที่มาสมัยการที่สี่ก็หลังหลังหลังเราลูบปแยป่ไปได้เกือบสองรอปีนะก็ได้พูดถึงความรู้สึกของคนไทยไว้ตอน น, นะว่า คนไทยนี่มีอัตยาสายัยอ่อนโยนและมีมโนเสียธรรมในพันครซึ่งมีพลเมืองค่อนข้างคึกงไม่ค่อยปรากฏว่ามีการทะเลาะวิวาดกันอย่างรุนแรงส่วนฆาต ก, การรมนั้นเห็นกันว่าเป็นกรณีพิเศษมากทีเดียวบางทีตลอดทั้งปีไม่มีการฆ่ากันเลยลรปรุโกบอกว่าไม่ใช่กับมนุษย์เท่านั้นแม้กับสัตว์คนไทยก็ไม่มนิยมฆ่ามีตอนหนึ่งเนี่ย ปารีกัวได้พูดว่าครั้งหนึ่งข้าพเจ้าสั่งคนทําสวนให้ฆ่าแมงป่องหรืองูที่พบในขณะที่กุดดินเสียเขากลับตอบข้าพเจ้าว่าทางนั้นแล้วก็ผมจะไปหาคนงานคนอื่นมาทําแทนผมไม่อยากได้ช่วยปณะติบาเพราะข้าจ้างที่ตัดตีเท่านั้นแหละครับคือจะให้ฆ่าจะให้ฆ่างูฆ่าแมงป่องหรอกขตกงานดีกว่าเมื่อซิมอนแมน มาเมุงไทยในสมสัยรัชที่เซิมมอนแมนนี่มาสำรวจสภาวเศรษฐกิจไทยแล้วก็ได้เขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งนะซิมอนแมนนี่พูดถึงคนไทย ค, ย ค, ยคล้ายๆกันทั้งนั้นที่หลังจากเราดูแลและปล่อเลโกมาได้ 100- 300ปีซิมมอนแมนนพูดว่าพลเมืองของประเทศสยามมีนิสัยใ จ, ใจคอดีและไม่มีความโลภในการสะสมพวกทรัพย์ไว้เป็นมาตรฐานแห่งการครองชีพ การลักทิ้งเด็กการขายเด็กการสรรสตรวัยยาวและความประพฤติชั่วร้ายต่ตางๆซึ่งอนารยชนชอบประพฤติ น, นั้นไม่ปรากฏในหมู่คนไทยเลยเมื่อพิ จ, รพ จ, รพจรารณาดูความเป็นไปในทิีปเอเชียโดยทั่วไปแล้วจะเห็นว่ามาตรฐานแห่งการครองชีพบนเมืองในประเทศนวมสูงเท่าที่จะเป็นไปได้ในสมัยปัจจุบันเ ล, ลังรูปแบบห้วยเมื่อมา 2,75 นี่คือสังคมไทยในอดีตนะฮะซึ่งเราเห็นได้ว่าจะมีลักษณะคล้ายๆกันอยู่สามสี่ประการก็คือว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่สมถทาเรียบง่ายและเงินเนี่ยไม่ใช่สิ่งสำคัญในชีวิตนะมีความเอื้อเฟือเ้อเอืเ้อกูลมีน้กใจกันนะมีความอ่อนโยนต่อต่อเพื่อนมนุษย์แล้วก็สัตว์ก็คือมีคุณธรรมนั่นเองนะจ่เห็นได้ว่า เ, เรื่องคุณธรรมนะเรอิทธิพลของศาสนาเนี่ยได้มีอิทธิพลต่อคนไทยในสมัยก่อนมากแต่ว่านอกจากอิทธิพลทางด้านศาสนาแล้วเนี่ยอัตมาคิดว่าการที่คนไทยในสมัยก่อนมีมีพฤติกรรมอย่างที่ฝรั่งสามคนนี้ได้บรรยายไว้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่า เรามีระบบเศรษฐกิจนะซึ่งเราเได้เป็นระบบเศรษฐกิจแบบยัง่งยืนเป็นระบบซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้แต่ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถจะพึ่งพาตัวเองได้ล้วนๆต้องอาศัยการพึ่งพามาอาศัยกันความช่วยเหลือกันในชมุมชนระบบเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ย มันมีผลยังไงต่อคุณธรรมและเจตยธรรมคนไทยเดี๋ยวอา ต, ต, ต, ตมาจะอธิบายให้ฟังแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่าระบบเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยเงินมีความหมายน้อยมาก mm hmm. เมื่อประมาณก่อนสน้าซิมมอนแมนสักเล็กน้อยกมพัฒอารองรายชางลูกผ้าได้ไปได้เสด็จไปแถวหมือนคนจังหวัดขอแก่นและได้บรรยายชีวิต ความเป็นอยู่งคนที่นั่นเอาไว้อย่างน่าสนใจซึ่งชี้เห็นว่าสังคมสมัยก่อนเนี่ยเขาอยู่กันอย่างไรนะกรมเพื่อการอนุภาพนี่ก็เป็นเจตนารือคนแรกของกระทรวงมหาดไทยเป็นเจนารืีผู้พระไทยของรัชกาลที่หนะ้าได้ช่วยเป็นบิดาแห่งประวศาสร์ภัยลงได้เขียนได้ว่าอย่างนี้ ที่ขอนแ่นนะทุกบ้านเนี่ยทำสวนปลูกผักฟักแฟงกินเป็นอาหารมีขอกเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ลานบ้านนอกล้วออกไปก็ทําไร่ฟ้าและสวนกล้วยสวนปูสวนปลูกหมอญสาหรับเลี้ยงไหมกับขอกเลี้ยงคอกเลี้ยงโัวปายเรลยจากหมู่บ้านออกไปถึงทุ่งนาชาวบ้านต่างดีนาทําทุกครัวเรือนทุกครัวเรือนสามารถหาอาหารและสิ่งซึ่งจําเป็นจะต้องใช้ในการเลี้ยงชีพได้โดยกําลังลาพังตนเพียงพอไม่อัตคัด กมยามหลวงบอกว่ามีสิ่ง ม, ม, ม, ม, มีแค่สองอย่างที่ชาวบ้านต้องซื้อก็คือบีบพระและนาขิดไฟเวลาชาวบ้านต้องการเงินเนี่ยเพื่อซื้อสิ่งของนะจะทําำยังไงาก็เอาสับไปขายชีวิตเนี่ยแทบจะจับเงินได้นับจํานวนเงินได้มีเงินได้มากแต่นะผมเียว่าชาวบ้านเนี่ยมีเงินพอซื้อของที่ต้องการทุกอย่างกี่เชนใต้เข้ามาทุกอย่างนะ ว่าโดยย่อคือคนในตําบลนั้นมีที่อยู่และมีที่ทํามาหากินพอกันไม่มีใครหวั่ยากทั้งตําบลไม่มีเศรษฐีและไม่มีคนย่ามจนถิ่นใจไม่มีเศรษฐีและคนย่ามจนถิ่นใจนี่คือเศรษฐกิจแบบยั่งชีพที่มีทุกคนในการทําให้คนไทยสมัยก่อนเนี่ยสมัครใจไม่ถึงเงินเป็นใหญ่เงินไม่มีความหมายในชีวิตเพราะว่า ต้องการอะไรก็ตามสามารถที่จะผลิตหรือหากินเองได้ปลูกทุกอย่างทำทุกอย่างเงินมีความหมายเล็กน้อยมากในชีวิตนี้ต้องการใช้เงินซื้อสองอย่างนั่นเองก็คือมีการและไม่กินไฟชีวิตที่เป็นเศรษฐกิจแบบยัง่งนเนี่ยนะมันทำให้ผู้คนเนี่ยได้อยู่กับธรรมชาติและสำนึกในคุณธรรมความเอื้อเฟื้อเกอื้อกูลกัน มันก็เกิดขึ้นอัตวานเน้นมากเลยนะเขาว่าการไม่เอาเงินเป็นใหญ่เนี่ยเพราะว่ามันคือสิ่งที่แต ก, กต่างกับสังคนในปัจจุบันสองคนแบบเศรษฐกิจยังชีย่ยงเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเราเริ่มมีการพัฒนาในสมัยการพัฒนาโดยเฉพาะเมื่อเราถือคือติอว่างานคือเงินเงินคืองานบรรดาศักด ความสุขอยู่ที่เงินนะในยุคนั้นเนี่ยเราเริ่มมีการสร้างถนนน้นะนำไหลไฟสว่างทางดีมีงานทำนะคือคือคำขัญของรัฐบาลไทยในสมัยจอมพลสฤษดิ์ความมีความหมายยังไงบ้างมันมีความหมายคือว่าเศรษฐกิจแบบนึงปราเริ่มเข้าไปแทบทุกงฝูระแหงแต่ก่อนคนเราไม่ใช่เฉพาะที่ขนแก่นเท่านั้น แต่เรามาช่วยเป็นทั้งทั่วประเทศนะภาคใต้ก็ดีเชียงใหม่ก็ดีเชียงรายก็ดีก็มีเศรษฐกิจแบบแบบนี้แหละคือเศรษฐกิจแบบยังชีพเงินไม่เงินไม่สําคัญเพราะว่าอยากได้อะไรทําเองไนดะ้อยากได้อะไรขึ้นพาใยกันแต่ว่าพอเราเอาเศรษฐกิจแบบนึงตราเข้าไปเรามีการพัฒนาเศรษฐกิจขนาดใหญ่การผลิตมันเริ่มเปลี่ยนแนละเราไม่ได้ผลิตเพื่อเพื่ อ, อยังชีพแนละ้วเราผลิตเพื่อขาย ที่ดีตารอยู่ต้นขายก็เริ่มเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยแกรยแการการที่สี่กับที่หาก็คือการผลยนการทํานาเพื่อขายแต่ว่าในสมัยพัฒนาจากคนสล เ, เนี่ยการผลิตเพื่อขายนี่ก็จะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆเงินเริ่มมีความสําคัญแล้วเพราะว่าอยากได้อะไรเนี่ยไม่ทําเองแล้วทํานาเข้าไปขายขายได้เงินมาแล้วค่อยไปซื้อเสือ้อค่อยไปซื้อวัวคไปซื้อไก่ ไปซื้ออะไรต่างๆเงินเริ่มมีความสําคัญเพราะถ้าไม่มีเงินก็ไม่รู้จะเอาอะไรกินละเพราะว่าการผลิตมันเริ่มไม่ได้ผลิตเพื่ออย่างชี้เมื่อเงินมีความสําคัญความสําคัญนั้นมันไม่ได้แค่เป็นความสําคัญในในการซื้อการขายแต่ว่ามันเริ่มมีความสําคัญต่อชีวิตเพราะว่าเมื่อผลิตเพื่อขายเนี่ยมันก็พัฒนาต่อไปเป็นการขายเพื่อเอากาไรการขายเพื่อเอากําไรนี่เป็นเรื่องสําคัญนะ ยี่หออย่างที่าอาจามาว่าในพูดถสมัยการของประกรัรที่ห้าสมเด็จพระประแดงหลวงปู่เนี่ยขายเนี่ยขายไม่ใช่เพื่ออะไรขายเพื่อเอาเอาของนี่มามาใช้มาบริโภคแต่เพิ่มเราเริ่มมีการพัฒนาเริ่มมีการนําเอาเศรษฐกิจแบบตลาดเนี่ยหรือที่เรามาเก็ตอิเคิลมีเข้าไปในสังคมเนี่ยกาไรเริ่มมีความสาคัญแล้วกำไรที่เป็นเงินตราเริ่มมีความสําคัญการขายมุ่งได้เรื่องกําไร สมัก่อนเนี่ยคนไทยไม่เชื่อไมมีการขายนะแต่ว่าการขายของาของคนเราไม่ได้ไม่ได้ในเรื่องกำไรอย่างเดียวการตั้งราคาสินค้าก็ดีเนี่ยยืดจุนใครมีเงินนะ ก, ะก็ก็ขายแพงหน่อยแต่ถ้าใครไม่มีเงินบางทีก็ให้ฟรีและยิ่งในสังคมที่ในในในบางช่วงบางสมัยที่อยู่กันอย่างลำบากอาจจะขายขายแลเนี่ย มันมีการเอาของนี่ไปแรกในหมู่บ้านของอาตมาที่จังหวัดที่จังหวัดสอนชียภูมิเนี่ยจนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเมื่อชาวบ้านนี้เขาทํานาไม่ได้เกิดภัยแล้งเนี่ยเขาจะมีวิธีเขาจะมีทำเนียเรื่องิการแผ่ก็คือการเอาการเอาผลิกหรือเอาผลผลิตของชาวบ้านเนี่ยที่ได้เนี่ยไปไปแรกเอาข้าม จากมบ้านที่มีผลฟ้าตกต้องตามฤดูกาลและการแลกเนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นการแลกโดยการเพื่อกำไรชาวบ้านที่เขามีข้าวเนี่ยเขาก็ไม่ได้วัดว่าพริกที่เอามาแลกเนี่ยมันกี่บาทไม่ได้มีการแลกออกพริกนี้บาทหรือ1 0อบาทเพราะฉันจนให้ข้าวเธอไปร้อยบาทเหมือนกันหรือฉจจะให้ข้าวเธอ90บาทเพื่อจะได้พริก ร้อยบาทได้กำไร1ิบาทไม่ใช่แต่การแลกเปลี่ยนกัง น, นั้นเนี่ยมันเป็นการรักษาะของการคํานึงถึงประโยชน์ที่ฝ่ายจะได้รับไม่ได้คํานึงถึงกําไรแต่คํานึงว่ามันจะสมประโยชน์ให้ฝ่ายหรือไมเออให้ข้าวเท่านี้พอกินไหมไม่ได้คิดว่าเออฉันให้ข้าวเท่านี้ฉันจะได้กําไรนะจากจากคลิกจานวนเท่านี้เทา่ทานี้ไม่ใช่การคํานึงความ เพื่อเฟื่อเพื่อโกหรือว่าการสมประโยชน์ของการแลกเปนเนี่ยมันเป็นหัวใจของการการแลกเปลี่ยนสินค้ากันไม่ใช่การเน้นเอากําไรแต่ทั้งทังหมดนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปในชนบทเนี่ยแบบนี้จะเกิดขึ้นน้อยมากเงินเริ่มกลายเป็นใหญ่เ<ไ>งนิงนเริ่มกลายเป็นใหญ่ใน ใ, ในชีวิตมันไม่ใช่เป็นที่แรกมนก็เป็นเป็นการผลิตเพื่อเอากําไรแต่ต่อมากําไรเนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงกําไรในการซื้อขายเท่านั้นเรายังเอากําไร ในการดำเนินชีวิตเราคํานึงกําไรในทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะในการซื้อการขายเดี๋ยวนี้เราใช้คําว่ากําไรชีวิตเนเวลาเราจะแต่งงานกับใครก็ต้องดูว่าจะได้กําไรไหมนะเวลาจะจัดงานศพงานแต่งงานก็ต้องคํำนึงกําไรที่จะไดะ้เราเอากำไรมาเป็นตัววัดความสัมพันธ์และกิจกรกรมทุกอย่างเงินนะเริ่มกลายมาเป็น กายมาเป็นจุดหมายสําคัญของชีวิตมันไม่ใช่เป็นแค่จุดหมายในการทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่เป็นจุดปลายของชีวิตชีวิตที่ดีชีวิ ต, ท, วตที่เจริญก้าวหน้าคือชีวิตที่มั่งคั่งร่ํารวยเวลาจะไปทําบุญที่วัดไหนแล้วคนไทยก็มักจะขอพรขอให้มั่งมีเสีสุขขอให้ร่ํารวยมีเงินตราขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ใช่ไหม ถ้จะขอพอรจากหลวงพ่อคูก็ขอพอรว่าบ้านนี้อยู่แล้วรวยส่วนอยู่แล้วมีความสุหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าขอให้อยู่แล้วรวยไว้ก่อนนี่มันเสร็จแจ้งเห็นเลยว่าเงินเนี่ยมันเลิกการเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตมันคือจุดหมายของชีวิตมันเป็นจุดหมายของประเทศด้วยประเทศจะเดินก้าวหน้ายัางแค่ไหนวัดว่าการพัฒนาเศรษฐกิจนเนี่ยเราโตกี่เปอร์เซ็นต์ ถ้าเราโตแค่สอง็นถือว่าประเทศเราแย่แลนะมันต้องโตยอยู่ม้ย้าเปซนตเอร์เเวลาวัดความเจริญก็หนักของประเทศว่ากันตรงนี้ไม่ได้วัดว่าเสร็จไม่ได้วัดว่าคนมีความสุขมากขึ้นหรือเปล่าไม่ได้วัดว่าคนยากจนจนลดน้อยลงไปหรือเปล่าไม่ได้วัดว่าอาจจะกรรมได้ลดลงหรือเปล่าคนฆ่าตัวตายลดงลงหรือเปล่าไม่ได้วัตรง น, นั้นแต่วัดว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจเมื่อ ตีค่าเปนตัวเงินแล้วเนี่ยมันเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์มันมี GDP จำนวนเท่าไหรนะ่เงินมันได้กลายมาเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตเป็นสิ่งสําคัญของประเทศนะเงินได้กลายเป็นตัววัดความสําคัญของทุกสิ่งทุกอย่างนะจาทะทําแล้วก็ตามขึ้นอยู่ว่าได้เงินมากแค่ไหนถ้าเรีที่อปราๆอยูข้างถนนเนี่ย ถ้เลือกว่าเจ้าที่ตรงนั้นเนี่ยทาส่วนสาธารณะทำโรงเรีนอนุบาลหรือสร้างศูนย์การค้าคนส่วนใหญ่เลือกอะไรเวลานนะคนส่วนใหญ่เลือกสร้างศูนย์การค้าเพราะมันให้ เ, เงินได้สูงนะในขณะที่ถ้าสร้างสวนาสาธารณะหรือว่าหรือได้กําทํางทำพิพิธภัณฑ์มันไม่สามารถจะให้ มันไม่สามารถจะตีค่าห น, นึ่ตัวหนึ่งได้สูงกว่าศูนย์การค้าระหว่างการรักษาป่าให้เป็นธรรมชาติให้มีความสงบร่มรืย์มีความสมดุลทางวิงทยา ก, กับการเปลี่ยนให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะให้มีนิทรรศการให้มีแม่กับโปรเจกต์มากๆเนี่ยเราเลือกอะไรเดี๋ยวนี้เราก็ต้องเลือกอย่างหลังเพราะมันให้เหงินมาก ส่วการทําป่าให้เป็นเป็นอุทยานที่มีความสมบรูรณ์รมรื่นเนี่ยมันไม่สามารถจะผลีิตเป็นตัวเงินได้หรือมันให้ตัวเงินน้อยเงินเนี่ยเวลานี้จะมันเป็นตัววัดว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําระหว่างการระหว่างการมีแม่น้ําที่ชาวบ้านเาักปลากับการเปลี่ยนให้มันให้เป็น การสร้างเขื่อนเพื่อผลิตโรงงานปอุตอสาหกรรมเราเลือกอะไรสองมุมไทยเวลานี้เราก็เลือกว่ามาสร้างเขื่อนดี ก, กว่าเพราะว่ามันให้ได้เงินได้สูงกว่าการที่จะปล่อยให้ชาว บ, บ้างมาปีนไปจับปลาซึ่งมันได้ไม่หงินน้อยเห็นได้ว่าเวลานี้นเงิ น, น, ม, นมันเป็นตัววัดวัดทุกสิ่งทุกอย่างนะระหว่างถ้ามีวัดถ้ามีวัดร้าง หรือมีวัดเล็กๆอย่วัดนึ่งแต่เพื่นวัดนี้เนี่ยหวางถนอนอยู่เราเลือกอะไรเราเลือกที่จะลื้อวัดออกไปเพื่อที่ให้มีถนนตัดผ่านเพราะว่าถนนจะทำให้เศรษฐกิจเจริญจะทำให้ที่ดีข้างๆมีราคาแพงนะคุณค่าทางทางาศาสนาคุณค่าทาง จ, จิตใจไม่มีความสาคัญแล้วในยุกสมัยนีนะ้ตรงนี้เนี่ยคือคือสิ่งที่มัน เป็นภาพที่ตัดกันอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับสังคมไทยสมัยก่อนสมัยที่ลาลูแบรสมัยที่ปาร์เลกัวได้พูดเอาไว้คือคนไทยไม่เข้าใจว่าสมัยก่อนเงินได้มีความสำคัญมากในชีวิตเท่าไหร่การแลกเปลี่ยนการซื้อขายไม่ได้ติดตัวเงินมาเท่ากับการช่วยเหลือเพื่อเพื่อคุณกันเงินนี่ไม่ได้เป็นอีกหมายเลขหนึเพราะฉะนั้นคนไทยสมัยก่อนก็อยู่อย่างง่ายๆ เพราะเขาให้คุณค่ากับมิติด้านจิตใจให้คุณค่ากับมิติด้านสัมพันธภาพมากกว่าฉะนั้นคนช่วยหรือเอือเฟื้อเกือเก้อกูลกันโดยที่ไม่ได้คุณประโยชน์แต่เวลานี้เราจะจะทำอะไรเราก็ต้องถามด้วยว่าทําแล้วฉันจะได้อะไรคุณไทยเวลานี้ถามมากทำแล้วฉันจะได้อะไรแต่คุณภทยสมัยก่อนสมาชิกหรือว่าเขถามนิน่อยก็จะถามว่าเออ ะจะมีอะไรที่จะให้ช่วยหลักบ้างจะเป็นงานศพงานแต่งงานงานสร้างบ้านยกบ้านก็จะไปช่วยกันโดยที่ไม่ถามว่าทำแล้วฉันจะได้อะไรแต่คำมิงคืพูดหรือมากกว่าเพราะสังคมแบบยางชีพสังคมซึ่งมันไม่ได้มีเงินเป็นใหญ่เนี่ยในการช่วยเหลือเพื่คุณนะเป็นเรื่องสําคัญคุณธรรมความสมคัญคุณค่าทางจิตใจแต่ในปัจจุบันนีน้พอเราเอาพอเศรษฐกิจเงตราที่แพร้เข้ามาเงินกลายเป็นเรื่องสําคัญเราวัก ความสำเร็จของชีวิตด้วยเงินเราวัดว่าอะไรควรอยู่อะไรควรไปด้วยด้วยมิติเดียวคือว่ามันให้เม็ดเงินมากแค่ไหนอันนี้จะสังเกตในกรุงเทพเนี่ยโรงโร ง, งเรียนที่ติดอยู่ที่ติดอยู่ข้างที่อยู่ข้างถนนเนี่ยลื้อไปหมดการศูนย์การค้ า, าความคิดแม้กระทั่งรื้อวัดที่อยู่กลางกรุงเนี่ยและให้พระไปอยู่นอกเมือนี่ก็มี ไม่ได้มีมาสิบปีแล้วเคยมีการพูดกันใน บ, บ้านหวงพระลิศำว่าให้วัดเถวกลางกรุงเช่นวัดจักรวรรดิแถวเยาวราชเนี่ยหรือวัดประทุมซึ่งอยู่ติดกับแ ส, า ย, สายามพารากอนเนี่ยถ้าย้ายไปได้ก็ดีนะเพราะว่าจเจ้าที่คนนีนน้สร้างศูนย์การค้าสร้างศูนย์การค้าพระก็ไปอยู่แถวโนร์ลังสิตไปอยู่แถวประทุมบางบัวทองใช่ไหจะปลูกคอนดนี่เนีย่ย รูหรูให้มีคนคิดแบบนี้เหมือนกันนะเพรานะอะไรเอาเงินเป็นตัวตั้งนะนี่คือสภาพสังคมในปัจจุบันซึ่งซึ่งมันแตกตา่านงะกับสังคมในอดีตมากนะและยิ่งเราตอนนี้เรามียุคโลกาภิวัตนเข้ามานะที่อาจารย์พูดเนี่ยพูดเฉพาะเมื่อเราเริ่มมีทางพัฒนาเศรษฐกิจสมัยเริ่มแต่สมัยจอมกษัติ์เป็นต้นมาเนะพราะเราเชื่อว่า งานคือเมือเงินคืองานระ ด, ดับสงแล้วเมื่อแล้วไอ้แนวโน้มนี้มารุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆโดยเพราะเมื่อมีการการเกิดขึ้นของกระการไหลบ่าของกระแสโลกาภิวัตน์โดยเฉพาะโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ี่มีหลายด้านนะโลกาภิวัตน์ทางทางการโลกาภิวัตน์ทางเทคโนโลยีแต่โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจนี่เป็นตัวที่ทําให้เงินนี่มีความสําคัญมากขึ้นเพราะว่า ทุกอย่างเนี่ยจะต้องเปิดเสรีเพื่อให้เงินตราได้ไหลไหลเข้าไหลออกได้อย่างเสรีเรามีเราเชื่ดชูเรื่องตลาดเสรีตลาดเสรีเรื่องสําคัญมากที่เราทํา FTA ก็เพื่อให้เกิดตลาดเสรีระดับยามของเรลาเสรีทางการเงินเสรีทางการค่าเสรีทางอุตสาหกรรมนะอันนี้คือคือเงนตราคือคาถาของโลกการพาทพากษาเศรษฐกิจ คาถาของโลกาภิวันเ์เศรษฐกิจมีสามอย่างคู่หนึ่งเรียกว่าภสษาธิตาลีว liberalization คือการเปิดเสรีเปิดเสรีทางการกาเปิดเสรีทางการเงินเปิดเสรีทางอุตสาหกรรมเปิดเสรีทางทางทางได้ข้อมูลข่าวสาร 2. privatization คือการแป ล, ล, แลรูปรียกฐานพิษานกให้เป็นเอกชนให้เป็นภเอกชนสาการคลายระบดข้อบังคับที่มันขัดขวางกัน การค้าการขายการไหลเวียนของเินตราทั้งหมดนี้คือเพื่อเงินตราอย่างเดียวนะฮะโดยที่เราไม่คามํานึงเลย ว, ว่ามันจะมีผลกระทบต่ออะไรบ้างเช่นมีผลกระทบต่อสินวัตรล้อมหรือเปล่ามีผลกระทบต่อค่านิยมจะเรียกทําคนไทยไหมางที่เราไม่ ค, ค่ายคำนึงนะสินวัตรล้อมถูกทําลานไม่เป็นไรถ้ามันช่วยทําให้เกิดตลาดเสรีขึ้นแนวคิดแบบสินทรัพย์แปบลบสินทรัพย์เป็นทุน้องก็เป็นงานแต่คิดที่คือเอาเองินเป็นใหญ่ ทุกอย่างกลายเป็นสินค้าทุกอย่างกลาเป็นสินค้าหมดปาถูกแปล้เป็นสินค้าวัฒนธรรมประเพณีถูกแปลใเป็นสินค้าเพื่อขายนักท่องเที่ยวประเพณีลอยกระทงประเพณีชักพระประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประเพณีขีตาขุนที่จังหวัดเลยประเพณีต่างเวลานี้เนี่ยมันมัน มันถูกแปรให้กลายเป็นมหากรรมการท่องเที่ยวเพื่อหวังอย่างเดียวคือหวังให้เงินตราเข้ามาเพื่อหวังจะล้วงเงินจากกระเป๋านักท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีและศาสนาก็ถูกแปลเป็นสินค้าพระเครื่องพระพทรูปถูกแปลเป็นสินค้า วนีวุ เ, เนี่ยนะก็ถูกใช้เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจนะอย่างเช่นที่เขามีกาผูกันถึงงโรงแรมแห่งหนึ่งในเชียงใหม่เอาวทะลุปไปตั้งเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเครื่องประดับเอาพวทุมาใช้ในการโฆษณามันเป็นสินค้าหมดนะแล้วะทัางรอยยิ้มก็เป็นสินค้านะเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาลมงไทยเยอะๆมีการโฆษณาลงนู้นให้คนไทยยิ้มมากๆนะเ่ระว่าคนต่างชาติจะได้เข้ามา เมือต่างชาติเข้ามาก็จะเอาเงินมาด้วยเราลงทนเรื่องการยืมไม่ใช่เพื่อให้คนไทยรวยไเกันแต่เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาคนไทยมากๆเนี่ยคือการเอาเองินตลาตัวตั้งและสิ่งเหล่านี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคือการที่เราเรามีเงินมากาแล้วเรารวยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องแลกกับหลายสิ่งหลายอย่าง เพราะว่าเมื่อเราเอาเงินเป็นใหญ่เนี่ยทัศนคติพฤติกรรมความสัมพันธ์ของผู้คนก็เริ่มเปลี่ยนไปคนเรื่องเอื้ออื้ออ่อก็น้อยลงเพราะคนสนใจแต่เพียงว่าทำแล้วฉันจะได้อะไรนะทำยังไงฉันถึงจะรวยการเอื่อเฟื้อเกื้อมันก็ไม่มีนะมันไม่มี นอกจากจะไม่เออเพืเ่อเกูกันแล้วที่ก็ยังมีการเอาเล่าตะเกียดกันแสวงหาประโยชน์จากกันและกันเพราะถือว่าเอากาไรเป็ น, นตัวต้งเอากำไรเป็ น, นตัวต้งแต่ครบก็พบว่าได้ประโยชน์การเอาเงินเป็นตัวต้านมันไปทําลายความสัมพันธ์ในทั้งในครอบครัวพ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูก เพราะว่าต้องการทํางานให้ได้เงินไดเยอะให้ได้มีรถให้ได้มีบ้านเด็กยังหาเงินไม่ได้แต่ว่าก็เริ่มหวังคิดอะไรทําแล้วก็ตามหวังให้ได้คะแนนเยอนเด็กก็เลยได้คุยกับพ่อแม่แล้วก็คุณยกับพ่อแม่แล้วไม่ได้คะแนนนะเราปลูกฝังเด็กว่าตั้งแต่เล็กเราคิดทอะไรก็ตามขอได้คะแนนถ้าไม่ได้คะแนนไม่ต้องทํา เด็ ก, ก็เลยคิดว่าคระโยชน์พ่อแม่ทาไมคือโยชนพ่อแม่เราไม่ได้คะแนก็ไนเวลาเรียนก็คิดว่าจบแล้วสันจะจะเรียนคณะอะไรูที่มันได้เงินได้ยเดยอะไม่ได้สนใจว่าตัวเองมีความถนัดอะไรบ้างเวลาจะทําอาชีพอะไรก็สนใจแต่ ว, ว่าอาชีพอะไรที่ทําให้ฉันได้รวยเร็วๆมีรถอะไรนสามปีมีบ้านภายในห้าปี และสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันก็ให้เกิดปัญหาขึ้นตามมามากมายเวลานี้เนี่ยอาจะมาเชื่อตัวเลขบางตัวเลขมาให้ดูนะว่าสงังคมไทยเวลานี้เนี่ยมันมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไบ้างพูดคขอ้นึกถึงคำพูดหรือบันทึกของลารูแบรกัปเล ก, กัวแล้วก็ซิมอนแมนนะแล้วก็มาดูกับตัวเล ข, ขปัจจุปัน เวลานี้เนี่ยเรามีคมดีอุจจาระทุกๆ44นาทีนะฮะมีการพปฏิสลาต่อชีวิตทุกๆ22นาทีถ้ามาพูดไป24นาทีนี่ก็ตายแล้ว1คนนะฮะแล้วก็เรามีการทำลายทำเรล่าหรือว่าทำร้ายภายในครอบครัวเนี่ย2ชั่วโมงเนี่ย3คนตอนมีการฆาตการรมสูงกว่าเกือบ10เท่า เมื่อตอนที่ปาร์ลกัวมาเมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวว่าแต่คนเลยแม้กระทั่งแมงปอกงก็ยังไม่ค่ายอมตกงานเพื่อที่จะไม่ค่าแมงป่องทั้นหมดแต่ในนี้เราฆ่ากันมากนะหึงในสีของพ่อแม่ตอนที่แยกทางกันก็หมายความว่าเวลานี้เนี่ยคนไทยจำนวนไม่น้อยเด็กไทยจำนวนไม่น้อยอยู่นยในสี่เนี่ยต้องอยู่กับหมอกับกับแม่หรือพ่อ เด็กไทยถูกทิ้งวันละห้าคนซึ่งเมื่อแมนบอกว่าคนไทยนี่ เ, เรื่องการทิ้งเด็กเรื่องเรื่องพวกที่ไม่มีเลยนะแต่เดี๋ยวนี้เราทิ้งเด็กอวันละห้าคนเรามีช่องว่างระหว่างคนรวยคนตนมากตัวขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อปีสามสามหนึ่งนะช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนห่างละสิบเอ็ดเท่าแต่ตอนนี้เนี่ยสิบสี่สิบห้าเท่าแล้วแล้วก็จะถามที่เรื่อยๆ จำได้ไหมตอนที่กรมพระรัชกาลวชิุภาพเนี่ยพูดถึงหมู่บ้านใ น, นจังหวัดขอนแก่นบอกเลยไม่มีเศรษฐีและคนยากยากจนเข็นใจทุกคนเนี่ยมีชีวิตความอยู่เสมอเหมือนกันหมดเหมือนกับเป็นสังคมคอมมินิสต์เลยก็ได้คือว่าเสมอภาคกันมากในทางเศรษฐกิจไม่มีทั้งเศรษฐีและยากจนแต่ตอนนี้เนี่ยแม้กระทั่งในหมู่บ้านเดียวกันมันมีทั้งเศรษฐีและยากจนช่องว่งมากขึ้นเรือเรื่อย ในแง่ของพฤติกรรมนะในแง่ของจิตใจเนี่ยกว่าเดิคนไทยโรคจิตนี่เพิ่มขึ้นนะในช่วงยี่สบปีที่สองเท่าเมื่อปีสองหกเนี่ยเรามีคนเป็นโรคจิตเนี่ยประมาณสิบห้าต่อแสนแต่ปีสี่หนึ่งนะเรามีคนที่เป็นโรคจิตเนี่ยสาสิบต่อแสนคือสองเท่าตัวภายในยี่สิบปีเรามีการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น สิบปีที่แล้วเนี่ย 2.7 คนต่อแสนนะนปีนี้ปีศหนึ่งเพิ่มเป็น 3.8 ต่อแสนเนะราเพิ่มเป็น 50% ภายในเวลา10ปีเรามีความเครียดเรามีคนเครียดติดอันดับ3ในเอเชียอันดับ3ในเอเชียนะคนไทยที่เป็น l a n ด์ออฟสมายอ่ะไอแลนด์แลนด์อ ไทยแรงแรงนับสมายมึงเห็นความสนุกนะแต่ตอนนี้เนี่ยเราเครียดถึงอันดับสามในเอเชียอันดับหนึน่งคงจะไม่พ้นญี่ปุ่นอันดับสองอาจจะเป็นเกาหลีหรือไต้หวนันไม่ทราบเ ย, ยวาชวชนหนึ่งในสี่มีปัญหาสุขภาพจิตหนึ่งในสีนะฮะ ความก้าวราวเพิ่มมากขึ้นเคยมีการสำรวจความเห็นวัยรุ่นประมาณ 60% บอซบอกเคยคิดใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาเยาวชนหนมใน10เมื่อเร็วๆนี้เองนะเยาวชนหใน10เเคยคิดฆ่าตัวตายวัยรุ่นและนี่คือปัญหานะ ยังไม่ยังไม่ตอ น, นีม่พูดถึงเรื่องพฤติกรรมบริโภคนะพฤติกรรมบริโภคเวลานี้ก็เป็นปัญหามากขึ้นพฤติกรรมบริโภคนะพอเราเอาเงินเป็นใหญ่วัตถุ ก, ก็เลยมีความสําคัญเรามีความเชื่อว่ายิ่งเสริมเท่าไรยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นแล้วเราก็ออาแต่บริโภคนะเคยมีการสรํารวจความเห็นของนักศึกษานักเรียนนักศึกษาเนี่ยประมาณเก้แบอบกว่า กิจวัตรกิจวัตรที่นิยมทํามากคือการช้อปปิง้งนะการเข้ามาเอาใบยางมุกเล่าการพ น, นันเนี่ยคนไทยติดเล่าเป็นอันดับติดหนึ่งในห้าของโลกนะฮะสี่ประเทศที่สี่ในห้านั้นเป็นประเทศมหนาวนะเรากินเล่ามากกว่าญี่ปุ่นนะถ้านักที่รู้คนญี่ปุ่นเนี่ยกินเล่าหรือว่ารานน้ำนะแต่ว่าเราก็สู้ญี่ปุ่นไม่ได้ ค่านนิยมเล่าการพนันนะอันนี้เป็นเรื่องที่เห็นชัดการพนันเนี่ยเยวาวชนก็เป็นมากนะนัเกเรียนนักศึกษาที่เขาทําสํำรักความเห็นมากบกว่าแสิ้าเอร์เซ็นตเนี่ยกินเหล้านะแล้วก็ยีเ็ดเร์เซ็ล่นการพนันค่านิยมบริโภคนิยมรวมถึงการหนักไม่เอามองไม่สู้ขายความเพียร เยาวชนเป็นมากเลยนี่เยาวชนประมาณ57 57เปอร์เซ็นต์หนีเรียนแล้วคนไทยประมาณอ า, อายุ 15-24 เนี่ยซึ่งเป็นวัยซึ่งอ่านหนังสือมากที่สุดนะ 15-24 นี่เป็นวัยที่อ่านหนังสือมากที่สุดเนะี่ยเพราะว่าอ่านหนังสือวัน ล, ละ 3.47 นาทีผู้งานให้เวลา40นาทีนี่คือด้วยสูงสุดนะเพราะที่เหลือตอนนั้นก็เวลา1นาทีบ้างก็มี วันละสามนาทีก็มีนั่นก็คือนี่คือพฤิกรรมที่เราเรียกมันว่าพฤิกรรมบริโภคเนอะและสิ่งที่ตามมาคืออะไรความเสื่อมถอยทางคุณธรรมความเสื่อมถอยทางคุณธรรมการคอร์รัปชันประเทศไทยเราตินอันดับการความโปรง่งใสในอันดับอันดับ30กว่าเนี่ยเกือบส เมื่อที่แล้วมื่สปทแล้นเราอยู่ใดับสามสนะก็ชนะแคาานาดาในนจีเรียใช้แคาานาดาในนจีเรียรูจ้จักแม่อยู่ไหนอยู่กาลรรักกอฟริกานี่โอแท้เราแต่ที่เหลือเนี่ยพวกอินโดนีเซียไม่ใช่อินโดนีเซียมมาเลเซียเวียดนามนี่เขอยู่เขาอยู่เข า, ามีความปร่งใมากกว่าไทยนักเรียนประมาณ 80% บอกว่าซื่อสัตย์มากไม่ดี 40% บอกว่าเอาตัวไม่รอดถ้าท่านมีแต่สื่อสัตย์คือไม่ใช่เรื่องคุณธรรมนะถ้าสื่อสัตย์แล้วเนี่ยเอาตัวไม่รอดนะมีอมนะต้องอมนะถึงจะถึงจะอถึงจะไม่อดไม่ใช่มีออมไม่มีมีออมไม่มีอดนะมีอมแล้วไม่มีอดเราเชื่อกันอย่างนี้กันนะนะนี่คือความความเยู่เรื่องความซื่อสัตย์ที่เราเราเราถอยหลังไปมาก มันไม่แค่ถอดถอยทางคุณธรรมนะเราถอดถอยทางสติปัญญาด้วยมีตัวเลขหลายตัวที่ดูแล้วน่าตกใจนะก็คือว่านักเด็กๆเนี่ยยิ่งโต IQ ยิ่งต่ำเนี่ยเขาเคยเขาเขามีการสำรวจระยะยาวนะเพราะว่าเด็กเนี่ยยุคหนึงถึงหขวบเนี่ยไอเฉลี่ยเก้าสิบไอคิวเฉลี่ย 90, IQ 90 แต่พออายุหกถึงสิบขวบ IQ เหลือ80กว่ากว่าเกิดอะไรขึ้นอนะทำไมยิ่งเรียนยิ่งโง่ผลสำรวจการสอบข้ า, าวหน่อยเทเลทหลายปีที่ผ่านมาปรากฏว่านักเรียนมัธยมปลายเนี่ยมากกว่า 90% นะสอบคะแนนสอบได้คะแนนไม่ถึง50คะแนนคะแนนเต็มร้อยนะ 90% ้าสอนอบไม่ถึงห้คะแนนคือตก ทุกวิชาไม่ว่าภาษาไทยอังกฤษคณิตศาสตร์นักเรียนสอบนักเรียนประมาณ9ก้าสอรบไม่ถึงห้นานิคะแนนยิ่งถ้าเป็นคณิตศาสตร์หนึ่งสองเนี่ยจะถึงเก้ส็ดเาอบไม่ถึง50ิคะแนนคือตกทั้ทั้งเกิดทั้งประเทศเกิอดอะไรขึ้นเนะีเกิอดอะไรขึ้นกับสติปัญญาคนไทยนะนะอาจาเชื่อว่าเหตุผลก็คื อ, อพฤติกรรมบริโภคนิยม ที่เราเนี่ยมุ่งแต่การบริโภคเอาแต่การเที่ยวการเตะหนักไม่เอาบอมไม่สู้ทางอัไหเป็นอะไรทางรัฐก็ทําทั้งหมดที่ถ้ารวมไปแล้วก็เพราะว่าเราเอาเงินเป็นใหญ่นะ้องเอาวัตถุเป็นใหญ่คุณค่าทางศาสนาคุณค่าทางจริยธรรมเราไม่ได้ให้ความสําคัญกันแล้ว แต่ตรงนี้เนี่ยคือคือสภาพสังคมในปัจจุบันที่น่าเป็นห่วงถึงแม้ว่าในแง่ของเศรษฐกิจในแง่ของวัตถุเนี่ยสังคมไทยเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเรามีติดรักฟ้ามากมายเรามีอัตราการเจริญเติบโ ต, ตทางเศรษฐกิจสูงมากเมื่อเทียบกับเมื่อ หลายสิบปีที่แล้วแต่ว่าในแง่ของคุณธรรมในแง่ของจริยธรรมในแง่ของความสัมพันธ์ทางสังคมเนี่ยมันถดถอยไปเยอะไม่ว่าเรื่องแต่ในระดับครอบครัวในระดับชุมชนไปถึงระดับประเทศตามตัวเลขที่อาตมาได้ได้พูดมาถ้าจะพูดถ้าจะพูด เอาสองสังคมไทยสองยุคเนี่ยมามามาเปรียบเทียบกันอย่างอย่างสั้นๆเนี่ยนะแล้วก็คงจะเห็นว่าสาังคมไทยเมื่อ100ปี200ปีสมัยเราลูแบบ์กันเลกัวซิมมอ์แมนเราเราจะเอาคุณค่าทางจิตใจคุณค่าทางสาังคนเป็นตัวตั้งนะคุณค่าทางเศรษฐกิจถือเป็นรอง มีกินมีใช้บ้างไม่มากนักไม่เป็นไรคนไทยนิยมสมรถิฐความบริโภคปลากระกัวเนี่ยะละลูแบบทนี่เขาตั้งกาสังเกตแ้ะคนไทยเนี่ยที่อาตมารล่าฟังเนี่ยชั่วโมงจับปลาได้หลายหลายสิบกิโลเลยแต่คนไทยกับนิยมกินปลาแห้งปัาเค็นทำให้ไม่กินปลาสดไอเรื่องวัตถุธรรมเนี่ยเราไม่ให้ความสาคัญคือเราเรา เราจับปลามาได้เยอะนะแต่เราต้องกินให้หมดนะแต่สมัยนี้จับปลามาได้เยอะเนี่ยนะยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเพื่อไปขายแต่คนสมัยก่อนเนี่ยการขายไม่ใช่เรื่องสําคัญนะการจับปลามาเพื่อบริโภคและต้องบริโภคให้หมดถ้าไม่หมดก็ต้องไปตากต้องไปหมักต้องไปต้องไปถนอมเอาไว้เราไม่กล้าทิ้งนะเสียดายนะและเราไมก่ก็ไม่เอาไปขาย แลก็เราก็เลกินอยู่อย่างง่ายๆซึ่งฝรั่งก็ไก่ใจฝรั่งมาเห็นเมืองไทยนี่ต้นไม้ต้นใหญ่ๆแต่ทำไมคนไทยอยู่บ้านหลังเล็กๆพื้นทำด้วยฝ้าฝาทําด้วยกระดานขัดแต่งทาไมเรานม่มีไม้ต้นไม้ต้นใหญ่ๆ ไ, ไม่มีบ้านที่อยู่เสาต้นใหญ่ๆเพราะสิ่งนี้มันไม่สําคัญนะความสัมพันธ์ระหว่างกับธรรมชาติเป็นเรื่องสําคัญมากกว่า ชีวิตที่เรียบง่ายชีวิตที่มีความสุขภายในเป็นเรื่องสําคัญมากกว่าเราเอาคุณค่าทางจิตใจคุณค่าทางสังคมเป็นตัวตั้งคุณค่าทางเศรษฐกิจในข้อคิดว่าเป็นหนึ่งกลาเราไม่ให้ความสําคัญมากท่าไหดสําคัญอยู่แต่ไม่สําคัญมากเพราะเรามองว่าชีวิตเรามันมีหลายหลายมิติคนเราไม่ได้อยู่ด้วยอาหารไม่ไดอ้อยู่ด้วยเงินอย่างเดียวเรายังต้องการความสุขทางใจ เวลาชาวบ้านเวลาชาวบ้านเนี่ยทำนานเนี่ยไม่ได้หวังเพียงแค่ว่ามีข้าวไว้กิ น, น่นะัแต่ก็ ย, ยังหวังยังเชื่อว่ายังหวังจะทำบุญไป พ, พร้อมๆกันด้วยท่านอาจารย์พุทธทาสได้พูดว่าตอนเด็กๆ เ, เนี่ยแม่เนี่ยจะให้ไปเฝ้านาแล้วแม่ก็บอกลูกไว้เลยว่าเนี่ยให้ท่องคาถากัขาขานขโมยเลยนะท่องคาถานีรจะไม่ถูขโมย สถานีสั้นๆนะนกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานการทํานาที่ถึงเป็นโอกาสทาบุญทําทานไปด้วยนกมากินก็ทาบุญคนมากินก็ทาทานทํานานี่ไม่ได้ไม่ได้เพื่อเพื่อมีข้าวกินอย่างเดียวแต่เพื่อให้นกให้คนได้กินทําบุญไงฮะเราไม่ได้เราทานาเราไม่ได้เราไม่ได้หวังผลที่เป็นข้าวซึ่งเป็นเรื่องปากท้องอย่างเดียว ระวังผลทางจิตใจใเรื่องบุญเรื่องบุญส่วนด้วยเวลาเอาข้าวไปแลกเปลี่ยนการเอาทิ้ไปแลกเปลี่ยนข้าวก็ไม่ได้หวังกําไรแต่ช่วยกันเวลาค้าขายก็ไม่ได้หวังกําไรก็ช่วยช่วยกันใครไม่มีเงินก็ให้ให้ไปเลยใครมีเงินน้อ ย, ยก็ให้มาก ก็ช่วยๆกันอันนี้ตะมาเรียกว่าคุณค่าทางสังคมคุณค่าทางสังคมกําไรซึ่งกําไรหรือคุณค่าทางเศรษฐกิจเป็นตัวรองช่วยๆกันอันนี้เราเราเป็นคําคำไทยคือช่วยๆกันแต่ไอ้เนี่ยคือคือคือสิ่งที่ตะมาเรียกว่าคุณค่าทางสังคมเป็นใหญ่กว่าคุณค่าทางเศรษฐกิจ คุณค่าทางจิตใจเป็นใหญ่กว่าคุณค่าทางเศรษฐกิจแล้วคุณค่าแบบนี้เนี่ยมันยังอยู่ในชนบทปัจจุบันอยู่ไม่ไม่น้อยแต่กำ ล, ลังเรือหายไปมีตัวอย่างนึ้งน่าสนใจนะก็คือว่าที่จังหวัดกรสินเมื่อสิบปีก่อนเนี่ยหมู่บ้านยากจนมากยากจนสนก็เพราะว่าเออ ผลฟ้าไม่ตกตั้งตามหรือดูการชาวบ้านทำนาบางทีก็ขาดทุนนาล่มเมื่อนาล่มแล้วก็ต้องไปกู้เงินเท่าแก่ลรงสีีนหมู่บ้านหรือในหมู่บ้านเดียวกันเพื่อที่จะไปซื้อข้าวแล้วก็ดอกเบี้ยก็แพงก็มีเอนะ็นโกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนเนีมาที่หมู่บ้านนี้แล้วก็มันแน่ว่าให้ทําธนาคารข้าวทาธนาคารข้าวก็ใครมีข้าวก็มาฝากธนาคารใครนาล่ม แทนที่จะไปกู้เงินจากจากเท่าแก่ลงสินก็มากู้ข้าวมายืมข้าวจากธนาคารต่อเบี้ยต่ำหม่เปอร์เซนแล้วก็ปีหน้าถ้าได้ข้าวก็เอาข้าวมาคืนก็ากฏว่าทำไปได้สามปีชาวบ้านเนี่ยหนี้สินลดน้อยลงมาก5้าปีชาวบ้านไม่เป็นหนี้เป็นสินแล้วแต่ปรากฏว่า ข้าในรุ่งเนี่ยในธนาคารข้าวมันมากขึ้นเรื่อยเรเพราะว่ามันไม่มีคนมากู้นะไม่มีคนมายืมเพราะาชาวบ้านไม่เต็มหนี้นะข้าวก็มากขึ้นมากขึ้นทํางานก็มีกรรมก ร, รกรรมการคุณบอกว่าหัวใสนะก็คือก็เอากดยืมข้าวในธนาคารเนี่ยไปปล่อยกู้ในอีห ม, มาาู่บ้านซึ่งก็ไม่มีธนาคารหมู่บ้านที่เขายากจนแล้วเก็บออกเบี้แผงกว่าเช่นดอกเบี้ยสามเยืม ยืมมันยืมจากธนาคารขาวจ่ายเ์เซแล้วไปปล่อยผู too ้สามปเซ็นห้าซ็ก็ได้กำไรกรรมการคนนี้ก็รวยเนี่ยกรรมการหลายคนก็บอกว่ามันไม่ถูกนะธนาคารข้ามมีไว้เพื่อเพื่อส่วนรวมไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของกรรมการไม่ใช่เพื่อเพื่อประโยชน์คนบางคนก็เลยมีความความอย่ที่แตกที่ขัดแย้งกันเขาแล้วเขาถาทางออกยังไงทราบไหมฮะ ชาวบ้านก็ลงบอกเลิกธนาคารข้าวยุบธนาคารข้าว NG ็ NGO ซึ่งไปก่อตั้งธนาคารข้าวมาช่วยชาวบ้านก่อตั้งเนี่ยเมื่อบรรดาสมาทราบข่าวก็ถามว่ายุบทําไมถ้าคุณยุบแล้วไม่กลัวจนเหรไม่กลัวเป็นหนี้เหรอชาวบ้านบอกว่าเป็นหนี้อ่าเป็นเพราะว่ารวยถ้ามีธนาคารข้าวรวยแต่ทะเลาะกันมีปรโยร เป็นหนี้หรือว่าจนแต่ว่าสามัคคีกันยังดีกว่าจนแต่ว่าสามัคคีกันยังพอจะเอายเงินหน้าอาปากขึ้นมาได้บ้างแต่ถ้ารวยแล้วทะเลาะการมีปรียช์อะไรชาวบ้านเขามองว่าเงินไม่ใช่็นตัวเป็นแค่เป็นเรื่องย่างความรวยไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่สิ่งที่สำคัญกว่าการมีเงินก็คือความรักกันความเที่เที่ยวกัน จนแต่รักกันดีกว่าดีกว่ารวยแต่ทะเลากันแต่คนในเมืองหรือเอเจคนที่ว่าเนี่ยเขาก็ยังคิดแบบสมัยใหม่ที่ว่าเอาเงินในตัวตั้งแล้วคนจำนวนไม่น้อยคิดแบบนี้คือว่าเอ้ยถ้ามันทําแล้วมันได้เงินยุบมันทําไมแต่ชาว บ, บ้านเขาไม่ได้มองแบบเราแล้วคนสมัยก่อนก็ไม่ได้มองแบบนี้เขามองว่าความเอื้อเฟื้อเผื่อคุณมันสําคัญกว่าการีเงิน ม๊มีเงินในกระเป๋าแต่ทะเลาะกันมีรถมีบ้านแต่ทะลาะกันมีตัวกันอะไรมันต่างนั่นคือการให้คุณค่าหรือไม่ไมเหมือนกันของคนปัจจุบันที่เอาเงินเป็นตัวตั้งอะไรก็ตามที่มันได้เงินฉันทําอะไรก็ตามที่ทําให้มันได้เงินน้อยลงฉันไม่ยอมเมื่อจำได้มาเพื่อสักสองเมื่อสักหลายปีก่อนเนี่ย มีคนบอกว่าภูเก็ตอาจจะมีอาจจะา จ, จะเกิดซูนามินะบอกว่าคนข้าราชการผู้ว่าในจังหวัดลังนี้โจมกตีนักวิชาการคนที่ว่าคูอคุณิบอกว่าพูดทำไมทำให้ทาให้เสียการท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวไม่กล้ามาภูเก็ต เอาเงิเป็นตัวตั้งนะี่แล้วก็เลยไม่ได้มีการเตรียมการรับมือสื่อแบบนี้เสร็จละล้วพเกิดสกนการขึ้นหลเข้ามาที่เสียใจวันนเนี่ยเพราะว่าเราเราเป็นห่วงเงินเราเป็นห่วงการท่องเที่ยวมากกว่าชีวิตของคนตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าจะยกเลิกการโฆษณาเหล้าตามสือ่อก็มีหลายคนบอกว่าเลิกได้ยังไง มันจะทำให้เงบประมาณการโฆษณาตามสื่อต่างๆเนี่ยหายไปพันล้านเศษรษฐกิจไทยอาจจะเติบโตน้อยลงนะคือเอาเงินเป็นตัวตั้งเนี่ยไม่ได้สนใจว่าไอ้การที่คนไทยดีเล่ามากๆนียมันมีผลยังไงบ้างต่อต่อต่อสังคมมันมีผลกระทบต่อสังคมอย่างไรบ้าง แต่ตรงนี้เนี่ย ค, คือคือคือประเด็นความแตกต่างระหว่างสังคมปัจจุบันกับสังคมสมัยก่อนสังคมปัจจุบันเราเอาเงินไปตัวตั้งส่วนคุณค่าทางเศรษฐกิจคุณคุณคุณค่าทางสังคมผลต่อสังคมผลต่อสิมม่งแวดล้อมเราเอาไว้ที่หลังตมามองว่าแบบนี้คงจะไปไม่รอดเพราะตัวเลขที่พูดมาสถิติที่พูดมานี้มันที่เห็นว่าสังคมไทยกำลังจะจะจะถอยลงไปเรื่อยๆ เราีสิทธิ์กิจดีขึ้นแต่แว่าคุณค่าทางจิตใจความสมคัญทางสังคมมันแย่เลยจะทํำยังไงแล้วๆ ค, ครวัาตามะคือว่าจะต้องทําให้คุณค่าทางสังคมมันขึ้นมาคุณค่าทางจิตใจเนี่ยขึ้นมามีความสําคัญมากกว่าคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือเงินตราสังคมสมัยก่อนเนี่ยสังคมเนี่ยเขาจะคุมเศรษฐกิจเอาไว้จะมีกฎหลักการจะมีกฎเกณฑ์ทางทาง เกณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะคุมเศรษฐกิจเอาไว้ส้องคุสมัยก่อนเป็นอย่างนี้นะฮะเช่นในบางประเทศบอกว่าอาชีพพ่อค้าเนี่ยต้องอยู่ในระดับต่งการค้าดอกเบีย้ยเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นบานะสศาลาอีสลามพูดไวยชัดเลยว่าเพ่าการค้าดอกเบีย้ยเนี่ยหรือการกินกำไรด้วดอกเบีย้ยเนี่ยมันบาส ในช่งกมพูดเนี่ยก็มีหลักเกณฑ์เอาไว้หลักธรรมในการควบคุมการค้าขายไม่ให้มันเอากําไรมากเกินขอดีเรามีหลักธรรมเรื่องมิจฉาว่ามิชฉาคือการค้าขายที่ไม่ถูกต้องที่บาปเช่นการค้ามนุษย์การค้าเนื้อสัตว์การค้าสุ่เสพติดอวัยังงึบการค้าอาวุธการค้า ย, ยาพิษสิ่งเหล่านี้นมันเป็นตัวคุม ตัวคุมเศรษฐกิจเอาไว้ไม่ให้เกินเลยสังคมสมัยก่อนก็จะมีมาตรการทางสังคมทางศาสนาเพื่อที่จะคุมเศรษฐกิจเอาไว้ให้อยู่ในขอบเขตเขาอยูอ่พอดีแต่ปัจจุบันเนี่ยสังคมอ่อนแอลงชุมชนอ่อนแอลงศาสนาอ่อนแอลงก็ไม่สามารถจะคุมเศรษฐกิจได้เศรษฐกิจก็เลย เติบโตเต็มที่กลุ่มทุนก็เลยเติบโ ต, ตเต็มที่แล้ไม่ใช่แค่นั้นมันไปส่งเสริมขานยงเงินแก่ตัวขานยมที่มุ่งบริโภคขานยมที่เอาเงินเป็นใหญ่โดยที่ไม่สนใจเรื่องคุณค่าทาง จ, จิตใจเรื่องคุณค่าทางทางวัฒนธรรมทุกอย่างกลายเป็นสินค้าหมดผู้หญิงเด็กก็การเป็นสินค้ามีราคามีค่าตัว แล้วคนก็ไม่มีความสุขนะฮะคนเครียดคนฆ่าตัวตายเรามีความสะดวกสบายในยุคนี้เรามีความสนุกมากกว่าสมัยก่อนแต่ความสุขกับน้อยลงเรามีความพลั่งพร้อมบริบูรณ์มากมายแต่ทุกคนรู้สึกพร่องรู้สึกไม่พอสักทีในรลวมก็พูดสรีพอเพียงแต่ไม่มีความหมาย พรคนเราไม่เข้าใจว่าพอทำไมพอแล้วมีความสุขได้อย่างไรเพราะลึกรู้สึกพร่องนะรู้สึกพร่องก็พยายามหาสิ่ ง, งต่างๆมาเติมให้เต็มแล้วคิดว่าวัตถุจะมาเติมให้เต็มได้เที่ยวเงินจะมาเติมให้เต็มได้แต่ก็ไม่ใช่เราอยู่ท่ามกลางาผู้คนแต่รู้สึกโดเดเดี่ยวทีนี้เหงากันหมดเลยนะเด็กก็เหงา ผู้ใหญ่ก็เหงาก็เลยต้องหันไปหาโทรศัพท์มือถือต้องไปหาอบายมุกต้องไปช้อปปิ้งเพราะมันเหงาหอยู่ทการผู้คนนี่คือผลกระทบของการที่เราเอาเอาเอ า, เอาเอาเศรษฐกิจกเป็นตัวตั้งมากกว่าคุณค่าทางจิตใจและคุณค่าทางทางทางสังคมและวัฒนธรรมอั่างที่ตะมาบอกไว้แล้ว ว, ว, ว, ว, ว่าสังคมสมัยก่อนเนี่ยขเขาพยายามคุมเศรษฐกิจกเอาไว้ด้วยมาตรการต่างๆ มาตราทางสังคมมาตรกา ร, า ร, การทางศาสนาแต่ตอนนี้เนี่ยมันไอนกลไกเหล่านี้เนี่ยมันมันเอือ้อมันอ่อนหมดแล้วก็วัตถุ ก, ก็เลยกลายเป็นใหญ่เสรษฐกิก็เลยกลายเป็นใหญ่ทีนี้ทำไมทำ FCA แล้วเนี่ยเรากัวประเทศไทยเราจะไปไม่รอดเพราะเราเอามันเป็นตัวตั้งเฮ้ยจะทำยังไงอะทำไมช่วยเราก็ต้องกลับมาทําให้หันมา ทำให้สังคมมันเข้มแข็งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสังคม air, อ่อนแอเศรษฐกิจก็เลยเป็นใหญ่ต้องทําให้สังคมเข้มแข็งขึ้นทุกคนต้องร่วมมือกันผันหน้าเข้าหากันพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้นจะตัวใครตัวมันมันไม่ได้เช่นมีการรวมกลุ่มช่วยเหลือกันในระแวกบ้านในหมู่บ้านในเอำเภอในจังหวัดในลุ่มน้ํารวมกันเป็นเครือข่าย ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างน้อยเนี่ยเรื่อการในหลับครอบครัวนะร่วมกันการที่ต่างคนต่างถือหลักตัวใครตัวมันนี่มันทําให้ไม่มีพลังครอบครัวไม่มีพลังชุมชนไม่มีพลังและกลุ่มทุนหรืออํานาจคืนก็มีอำนาจมากกว่าก็สามารถที่จะบงการกมมําหนดบรรทัปบรรชาประเทศให้เป็นไปอะไรตามใจของตัวเอง ไ, ได้จะให้มีเล่าจะให้มีอใบายางบุกจะส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ ทำเราเดชทำเราผู้หญิงยังไงก็ได้ขอให้ได้เนตรามาอย่างนี้ปล่อยปล่อยปล่อยไปนัานๆก็ไม่ได้สองคนต้องเข้มแข็งขึ้นมาเพื่อจะคุมสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้มันอยู่ในขอบเขตให้มันอยู่ในกฎเกณฑ์ร่วมกุมกันช่วยเหลือกันในชุมชนเช่นนายหมู่บ้านจัดสรรวมรคุมกันทํากิจกรรมดูแลสิ่งววดล้อมดูแลขโมยขโมยไม่ให้เกิดขึ้น แล้วก็รับผิด ช, ชอบปฏิาการสาธร า, ณารณะร่วมกันเรื่องสิ่งแวด ล, ล้อมเรื่องป่าชุมชนหรือการทำกลุ่มออนซัก์การทำการกเกษตรการราับผิดชอบร่วมกันเนี่ยโยงกันเป็นเครือข่ายมันเป็นวิธีนี้ที่ทช่วยทำให้สังคมมันเข้มแข็งขึ้นมาใหม่ดีเฉพากลุ่มผู้หญิงเนี่ยจะมีบทบาทาเพราะผู้หญิงเนี่ยเขาจะก็จะไม่ได้นึถึงเรื่องเนาถึงเรื่องของความเ อ, อเื้อเฟื้อเผื่อปุความเ อ, อื้ออทร เราพบว่ากลุ่มผู้หญิงในหลายแห่งเนี่ยเขาพอกขารวมกลุ่มมัน ก, การมาได้แล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะทําในสิ่งที่มันมีประโยชน์ระยะยาวอย่างเช่นในอบาตกา็ไม่ได้คิดแต่จะสร้างสร้างถนนอย่างเดียวเขาคิดเรื่องการศึกษาเยาวชนเขาคิดถึงเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ลลลลลนอมธรรมชาติอันนี้ประเด็นที่เหนือคือการทำให้สังคมมีนเข้มแข็งตั้งแต่ระดับครอบครัวด้วยการรวมกลุ่มกันสามัคคีกันทํางานร่วมกันรับผิดชอบในกิจการของตัเองและขยันไปสู่กิจการได้ ไอ้สองคือว่าต้องพยายามทําให้คุณค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยต้องทำให้คุณค่าทางเศรษฐกิจเนีมน่มันเป็นรองคุณค่าทางสังคมให้คุณค่าทางสังคมขึ้นมาเป็นตัวหลักหมายความว่าคุณจะทําแล้วก็ตามไม่เอาเงินเป็นตัวตั้งไม่เอาอไม่เอาผลประโยชน์หรือวัตถุเป็นตัวตั้งจะทําธนาการข้าวไม่ได้คิดแต่เพีงว่าทํำไมชาวบ้านจะรวยแต่ว่าทําแล้วเนี่ยชาวบ้านต้องสมัครใกันด้วย ชาวบ้านต้องเอื้อเฟื้อกันด้วยทําสัจจะสะสมทซ้ำไม่ใช่เพื่อว่าเพื่อแก้หนี่สิทอย่างเดียวแต่เพื่อทําให้ชาวบ้านสามารถี่แต่ดีคุณธรรมมีความสุขทางใจมีมิตรภาพเวลาจะซื้ออะไรอ ย, อย่าสนใจเพียงแค่ว่ามันถูกไม่ถูกฉันได้เวลาจะทะําแรงไม่ใช่สนใจว่าฉันจะได้กําไรที่เป็นว่าถุกหรือไม่อย่างเช่นซื้อผักเนี่ยผักปลอสารคิดเนี่ยอาจจะแพง แต่การซื้อของเราเนี่ยการอุดห น, นุนของเรามันช่วยทําให้ชาวบ้านที่เขาทำปลูกผักปลอดสารพิษเนี่ยเขาสามารถลืมตาอา้าปากได้เขาสามารถที่รวมกลุ่มสากลชาวบ้านสามารถที่จะเคลื่อนแผน ท, ที่ได้ถ้ามาคิดว่าน่าทําอย่าเอาอย่าการซื้อการขายของเราการชอปปิ้งก็ตามไม่เอากําไรเป็นตัวตั้งไม่เอาเอาราคาเป็นตัวตั้ง แต่เราคำนึงงคุณค่อย่งอื่ด้วยว่ามันช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมไหมมันช่วยทําให้ชาวบ้านเขารืมตาอาปากขึ้นได้หรือเปล่าอาตมาคิดตรงนี้สําคัญของบางอย่างแพงแต่มันช่วยสังคมอาตมาคิดว่าน่าสนุกมากกว่าของบางอย่างมันสะดวกแต่มันทำลายสิ่งแวดล้อมเช่นโฟมเช่นพลาสติกมันถูกแต่ว่ามันก่อปัญหาสร้างภาระแก่สิ่งแวดล้อมอาตมาคิดว่าเราไม่ควรจะทํา ต้องอคุณค่าทางสังคมคุณค่าทางจิตใจเป็นตัวตั้งนะไม่คิดถึงแต่เรื่องของกําไรและขาดทุนเท่านั้นนะอย่าใช้เงินเป็นตัวตั้งในการกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วมันจะทําให้คิดเราผําผวนเช่นอาชีพอะไรถึงจะได้เงินมากที่สุดเรียนวิชาอะไรถึงจะได้เงินมากที่สุดถ้าเงนเป็นตัวตั้งมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ ก็ไม่มีความสุขแล้วเนี่ยถ้าเกิดผู้คลิตเนี่ยไม่ได้คิดถึงกําไรแต่คิดถึงผลต่อสิ่งแวดล้อมคิดถึงวัฒนธรรต่อสังคมด้วยนะถ้าทําร้านถ้าทําร้านทําร้านคอนมิเนสโตร์ก็ไม่ได้คิดแต่เพียงว่าขายอะไรได้เงินเยอะๆเมื่อเร็วๆนี้ในข่าวใช่ไหมฮะมันมีการมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีมีร้าน เชนสโตร์คอมมิวนิสต์โตรเนี่ยคือทางราชการบอกห้ามห้ามโชว์ห้ามโฆษณาห้ามตั้งห้ามวางขายเหล้าและห้ามวางขายบุหรี่แต่ก็มีร้านบางร้านเนี่ยเขาก็เอ า, า, าอบุรมาางขายถาว่าทำไมเพราะว่าบุหรี่เนี่ยันให้ตรลังใจมีแต่เขาไม่ได้นึกเลยว่ามันมีผลต่อยาวชนอย่างไรบ้าง ถ้าข้าคอมมินสโตเนี่ยเขาคิดถึงสังคมเขาก็จะไม่ตั้งเาอาบหลิมาวางขายเพราะเขาเห็นว่าเงินสำคัญน้อยกว่าความสุขในสังคมมีความสำคัญน้อยกว่าเยาวชนที่ดีงามมาเคื่อตรงนี้มันจะต้องเลิกต้องอ่างที่ผู้ผลิตเลยเราจะทำงานอะไรก็ตาม ไม่ได้ทำงานเพียงแค่มันได้ผลประโยชน์มากหรือเปล่าแต่ทำงานโดยคํานึงว่ามันมีประโยชน์ต่อสังคมมั น, มมมนมไม่มีประโยชน์ต่จิตใจมั้ยอีกประการที่สองปที่สก็คือว่าการทําชีวิตด้นไหนเข้มแข็งนะนอกจากการเราไปทําช่วยหรือสังคมรวมกลุ่กันแล้วนอกจากการเราการบริโภคการทํางานของเราเอาคุณค่าทางสังคมคุณค่าทางจิตใจเป็นตัวนามากกว่าคุณค่าทางวัตถุ รือเศรษฐกิจแล้วเนี่ยโอกาสที่สคือว่าต้องทําชีวิตด้านไหนหเข้มแข็งและมีสุขเราต้องรู้จักสร้าความสุขจากภายในไม่ใช่ความสุขจากการบริโภคไม่ใช่ใหาความสุขจากเงินตราเพราะถ้าเราคิดว่าความสุขมันเกิดจากการบริโภคความสุขเกิดจากเงินตราแล้วก็การเป็นทาสของเงินตราแล้วเราก็ทําทุกอย่างเพื่อเงินตราเราเอาเงินตราเป็นตัวตั้งแต่ถ้าหาว่าเรา ห า, าศาสแวงหาความสุขาจากภายในได้เราจะเป็นอิสระจากเงินตรามากขึ้นเรื่อยๆจิตเราจะเป็นอิสระจากวัตถุเพราะเราควบคุมความสุขภายในคนเราเนี่ยต้องการความสุขแต่คนส่วนใหญ่นะครับความสุขจากวัตถุหาความสุขจากภายนอกแต่ความสุขจากภายนอกจะมีความสาคัญน้อยลงเรื่อยๆถ้าเราควบความสุขจากภายในเราหาความสุขจากภายในได้อะได้ได้ได้ยงได้จากการช่วยเหลือเพื่อเพื่อเพกลนกัน ได้จากการทำบุญได้จากการทำสมาธิภาวนาได้จากการแบ่งปันความสุขแก่ผู้อื่นได้จากการมีวิจัยเทรดกันและความสุขที่เกิดจากชีวิตที่พอเพียงแต่ตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญนะเมื่อเราหาความสุขจากภายในแล้วเนี่ยเราจะเป็นอิสระจากเงินมากขึ้นเรื่อยๆ เ, เราจะมีวิจัรายระยานที่คํานึงถึงคุณค่าทางจิตใจคุณค่าทางวัตถุมากกว่าเรื่องของ คุณค่าทางจิตใจคุณค่าทางสังคมมากกว่าคุณค่าทางวัตถุแล้วะมาเชื่อสิ่งนี้ถ้าเราเริ่มเริ่มต้นกันทําทีละนิดทีละหน่อยและเกาะกลุ่มขยายตัวนึ็นเครือข่ายมากขึ้นสังคมเราจะมีพลังและวะมาเชื่อชีใหม่เนี่ยจะจะเป็ น, จ ะ, ปนจะเป็นจุดหนึ่งที่สามารถจะทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้เมื่อมีโครงการอะไรเกิดขึ้นในเชียใหม่เราต้องถามว่าเขาทําเพื่ออะไรก็เงินเป็นตัวตั้งหรือเปล่า เช่นโครงการไมซสาฟรีมร่แม่กับรเจ๋งเนี่ยเราต้องถามบอกว่าเอาจะเป็นตัวตั้งหรือเปล่าแล้วเงินเป็นตัวตั้งแล้วยางอื่นเขาคำนึงไหมคุณค่าทางจิตใจคุณค่าทางสังคมเราต้องตั้งคำ ถ, ถามกับโครงการหรือไอเดียมาตรการใหม่ๆที่เอาแต่เงินเป็นตัวตั้งเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้สังคมไทยเราถาล่มไปในเรื่องของของความเสื่อมถอย ทางสติปัญญาและคุณธรรมมากขึ้นถ้าเราไม่เริ่มต้นทำเนี่ตคนนี้นะต่อไปลูกหลานเราก็จะแยกไปเรื่อยๆนั้นแล้วตอนนี้เราก็เห็นได้แล้วว่าเยาวชนไทยนี่มีปัญหามากขึ้นปัจจุบันเนี่ยมีการสำรวจพื้นที่ในอำเภอเมืองทั่วประเทศนะ เพราะว่าพื้นที่เสี่ยงเนี่ยพื้นที่เสี่ยงหมายถึงผับบาร์คาโรเกต์ูงย์การค้าไม่ต้องพูดถึงซ่องโร ง, ง, งนวดนะฮะพื้นที่เสี่ยงเนี่ยมีมากกว่าพื้นพื้นที่ที่ปลอดภัยถึงสามเท่าพื้นที่ที่ปลอดภัยนี่หมายถึงวัดโรงเรียนพิพิธภัณฑ์สนามเด็กเล่นนะพื้นที่เสี่ยงเวลานี้ในในอำเภอเมืองทั่วประเทศมีมากกว่า พื้นที่ปลอดภัยถสาเท่าทําไมพื้นที่เสียมันมา ก, กนนะเพราะว่ามันมันมันทำมันได้เงินเยอะมันสามารถจะให้กาไรได้มากกว่าและนี่มันมามามาเป็นชุดเดียวกับความคิดเรื่องการส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวโดยคํานึงถึงเงินตรามากกว่าคุณค่าทางวาิทยาทําไมต้องเอาภูกระดึงทําไมต้องมีกระเช้าไปภูกระดึงทำไมต้องมีกระเชา้าไปไปไปไปลอชุกเทศ เพราะมันส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ไม่ได้คำนึงเลยว่ามันจะมีผลกระทบต่อต่อภูตต่อสิ่งแวดล้องต่อต่อคนเล็กคนน้อยอย่างไรบ้างแปลงจริงทรัพย์เป็นทุนอันนี้มีประโยชน์แต่ถ้าหากว่าเราคำนึงแต่เรื่องทุนอย่างเดียว โดยไม่ได้ตระหนักเลยว่ามันให้ไม่นเงินก็จริงแต่มันทำลายต้นทุนทางสังคมต้นทุนทางสังคมคือความเอื้อเฟื้อความเอื้ออาทรคุณธรรมน้ำใจไมตรีในการช่วยตรงนี้เราต้องเราต้องตระหนักนะเราต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะเปลี่ยนค่านิยมของสังคมเปลี่ยนทิศทางสังคมด้วยการทำให้ ด้วยการเข้ามาควบคุมไม่ให้เศรษฐกิจเงินตราหรือบริบทพืเมืองนี่ยมันเติบใหญ่จนกระทั่งคุมไม่อยู่ซึ่งตอนนี้มันก็เกินจะไปทข่้นคัญแล้วไงงั้นถ้ามา่วยตรงเนี้ยสถานการณ์ในสมัยปัจจุบันเราจะไปสู่อนาคตได้อย่างไรเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าสังคมที่มีความเข้มแข็งไหมแล้วเราสามารถที่จะควบคุมให้คุณค่าทางเศรษฐกิจมันอยู่มันเป็นรองคุณค่าทางสังคมได้หรือไ่มนุษย์เราเนี่ย เราไม่ได้อยู่ด้วยฝากท้องอย่างเดียวเรามีจิตใจเรามีเรามีรามรามครอบครัวเรามีเพื่อนพ้องเรามีสังคมพระเจ้าจตัดว่าประโยชน์เนี่ยประโยชน์ทางเรามีประโยชน์3อย่างประโยชน์เบื้องต้นคือประโยชน์ทางด้านวัตถุแต่เรามีประโยชน์ทางด้านจิตใจคือคือประโยชน์ทางด้านประโยชน์ทางด้านจิตใจที่เกิดจากการทําบุญทำกุศลการเอเื้อเฟื้อเกื้อกูลกันาาภาษาพากเลือกว่าสัมปรายกัตถะการทําบุญการมีสัมทา การมีความเอือเ้อเฟื้อเกือกูลการการมีสนะินี่เป็นประโยชน์ชั้นที่2อลองมาจากประโยช น, น์ชั้นต้นมาได้แก่เรื่องของวัตถุเรื่องของปัจจัยสีเรามีคุณท่าทลงจิตใจเรามีความสัมพันธ์เอื้อเฟื้อการได้ทาบุญทํากุศลแล้วก็ประโยชน์ในทางปรมัตาสก็ถือเรื่องของวิปัานการปล่อยวางสิ่งที่การที่เรามีทิพิธภัณฑ์แหงชาติเนี่ยนะ มันไม่ ไ, ม, ไ, ม, ไมันอาจจะไม่ช่วยในเรื่องประโยชน์เบื้องต้นประโยชน์ทางวัตถุเรามาแล้วเรามาศึกษาความรู้จากพิพิธภัณฑ์อาจจะไปทําหมากินไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เรื่อง How to ถุแต่เมื่อการไปเรียน ADA ไปเรียนแล้วได้เงินแต่เรามาพิพิธภัณฑ์เยเพื่อประโยชน์ชั้นที่2เพื่อความสุขทางติดใจและเพื่อให้เกิดสํานึกในคุณค่าแห่งความเป็นไทย จำเนื้ทราบซึ้งในคุณค่าของบรรพชนคุณค่าเหล่านี้เนี่ยเงินมันซื้อไม่ได้พิพิธภัณฑ์จะต้องมีความหมายมากกับการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเมื่อเร็วๆเนี่ยจะมาไปไปไปไ ป, ไ ป, ไ, ปไปอภิปรายที่ ท, ที่ในหมู่บ้านแหนมเพอแนมเพอเพอมืองจังหวัดชายภูมิเขาค้นพบเขาค้นพบอ่าเสมาจารึกเสมาหินขนาดใหญ่ ซึ่งในสมัยพาวาลา ว, วดีก็คือประมาณ1 2 0สองพัิาปีที่แล้วทางการบอกว่าดีแล้วมันจะช่วยช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ละมาละมาบอกว่าสิ่งสำคัญของการท่องเที่ยวคือการที่คนในหมู่บ้านเกิดความสำนึกว่าคนอีสานมีอารยธรรมไม่ใช่พวกบักเสียบักนานที่ถูกดูถูกสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีคุณค่ามากกว่าเงินทอง มันให้สํานึกมันให้ความภูมิใจว่าคนอีสานนั้นมีอารยธรรมที่เก่าแก่ตั้งแต่ก่อนสุโขทัยใะอีกสมัยทวารวดีมันเก่าเป็นก่อนสุโขทัยอีกถึง500รอปีคนอีสานต้องเกิดความภาคภูมิใจขึ้นมาจากสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันมีค่ามากกว่าการไปดึงกระเป๋าไปดึงเงินมาจากนักท่องเที่ยวอรามาเชื่อที่พิพิธภัณฑ์ก็เหมือนกันนะ คุณค่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของการดึงเงินมาจากนักท่องเที่ยวคุณค่ามันมีมากกว่าเรื่องของวัตถุเงนตราคุณค่ามันคือการสร้างสัมงคมทางวัฒนธรรมสามารถที่จะเกิดความภาคภูมิใจในบนรรพบุรุษของเราและในร่างหน้าความเไทยของเราไม่ใช่ร่างหน้าที่เป็นความยิ่งใหญ่ที่เอาชนะประเทศไหนแต่ร่างห้าของที่วมันมีความมันมีนักใจต่อกันมีความเอื้อเฟื้อคลื้อคลือคอค้อต่อกัน เมื่อเราเห็นกระปวยเมื่อเราเห็นโถเมื่อเราเห็นอโอ่งน้ำเนี่ยให้เรามองให้ลึกไปถึงให้เรามองให้ลึกเลยไปกว่าวัตถทุที่เราแย่เห็นมองให้ลึกไปถึงน้ําใจที่ชาวบ้านเขามีต่อกันตามหมูบ้านตามบ้านตะแลงเขาก็จะเอาเอาเอาเอาโอ่งเนี่ยมา ว, วางไว้หน้าบ้านเพื่อแสดงน้ําใจ ต่อคนที่เดินทางไปผ่านมาไอ้น้ําใจตรงนี้เนี่ยเราไม่เห็นหรอกท่านนะพี่เราไม่เห็นหรอ ก, า น, าร น, รอกนะถ้าเราไม่มองจนเลยทะลุวัตถุกออกไปและสิ่งเหล่านี้มันอนุรักษ์ได้ยากเราอนุรักษ์ได้แต่วัตถุแต่ทำไงเราถึงจะมองเห็นน้ําใจที่อยู่เบื้องหลังวัตถุสิ่งนี้พ่พิธภัณฑ์สามารถทําให้คนตระหนักได้ไม่ใช่เป็นีแค่สิ่งแสดงวัตถุแต่สามารถที่ทําให้คนได้เห็นถึงน้ําใจที่อยู่เบื้องหลังวัตถุ ความทราบซึ้งในศาสนาความสุข ท, ที่ที่เปล่งออกมาเป็นความเอื้อเฟื้อเกอื้อกูลน้ําใจที่มีต่อกันสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าสามารถที่คนมาแล้วได้เข้าถึงได้สัมผัสเขาก็จะเกิดความภูมิใจแล้วเขาก็จะได้เกิดสํานึกในเรื่องสิ่งดีงามในเรื่องความดีและสิ่งนี้เป็นประโยชน์ที่เหนือกับประโยชน์ทางวัตถุทางศาสนาด้วยประโยชน์ฉันประโยชน์ ประโยชน์เบื้องหน้าสำหรัยกตฐานพื่อทั้งจิตใจและถ้าสามารถที่ไปลึกจนก ร, ระทั่ ง, งถึงเรื่องของปรมัตถะคือประโยชน์เรื่องสูงคือเรื่องของนิพพานเรื่องของความการมีจิตที่ปล่อยวางการทุกเข้าถึงความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางละทิ้งละวางเบอร์ตนั่กกนก็ยิ่งยิ่งกระเสริฐสังคมไทยเคยมาถึงตรงนี้เคยให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้มาแล้วแต่ว่าเราละทิ้ง2อสิ่งแรกออกไป2อสิ่งหลังออกไปเราสนใจในเรื่องวัตถุจะ ต, ต้องเลือนฟื้นขึ้นมาใหม่คนระไม่ให้มันสูญไปและสิ่งนี้จะช่วยทําให้ สังคมไทยมีอนาคตนะจะไม่ใช่สังคมที่พลั่งพงร้อมไปด้วยวัตถุแต่ว่ากวงโว ER อยู่ภายในไม่ใช่ในสังคมที่พั่มพันทำร้ายกันแต่เป็สนสังคมที่เ อ, อื้อเฟื้อเกื้อกูลแต่มีความสุขมีความเมตตาปรานต่อกั น, น, กนและทุกคนก็มีความสุขภายในอาจารย์นนคิดว่าสาังคมเช่นนั้นเป็นไปได้ เ, เพราะว่าก็ได้เคยเกิดขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วอาจารย์นนคิดว่าพิพิธภัณ์น่าจะเป็นส่วนในการที่นําไปสู่ สังคมที่เป็ปรัชนาที่ว่านี้ได้แต่มาก็ใช้เวลาพอสมควรก็ผมจะต้องขอรุกติการรัฐสภาเป็นเค่องมือมาเท่อนี้อค่ะก็ต้องขอกราบขอพระคุณนะคะท่านไพศาลเป็นเกียรติสูงนะคะที่กอะน า, าดเสียสลเวลานะคะมา ในวันนี้